สัมพุทธาตโยมหาราชาโลกัสะธรรมาอุปั ช, ชมานาอุปั ช, ชันติอหิตายะทุกขายะอาภาสุวิหารายาติอี ณบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาแก่โลกเพื่อฉลองศรัทธาท่านสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทั้งหลายซึ่งเดินทางมาที่วัดปยุโรงสาวาทเพื่อถือโอกาส บำเพ็ญกุศลอันมีประการต่างๆเช่นการถวายทานการรักษาศีลการสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาหรือการใช้เวลาเพื่อฝึกจิตของตนซึ่งจัดเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นอาตมาพาพร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรวัดปยุโรวงสาวาท โดยมีพระเดช พ, พระคุณทยะคุณพระพมมบันดิตท่านจะคุณจเจ้าวาดขอต้อนรับญาติโยมและขออนุโมทนาในความมีศรัทธาของท่านทั้งหลายถ้าจะพูดกันตามภาษาไทยเห็นโยมมาวัดพระภิกษุสมณเนรทั้งหลายก็ดีใจเพราะญาติโยมที่มานี่เป็นญาติเป็นโยม เป็นญาติก็หมายความว่าท่านทั้งหลายนั้นไม่ใช่ใครอื่นเป็นประดุจเจววัเป็นประดุจตัวญาติของพระพิสุสัมมณีนทั้งวัดที่ว่าเป็นโยมก็หมายความว่าเป็นผู้คุ้นเคยกับวัดเป็นชาววัดให้การสนับสนุนกิจการของวัดโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันแรมสิบสี่ค่ำเดือนเก้า ที่วัดปยโรวงสาวาทของเรานั้นจะมีประเพณีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งซึ่งจะมีขึ้นในภาคบ่ายจะมีการเทศสองธรรมะและเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายให้บำเพ็ญทานเป็นพิเศษประเพณีการถวายหรือการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนี้ สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้านโยมไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นมาวันสองวันในสมัยพุทธกาลนี่บางพรรษาพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรฉันเลยแม้กระทั่งเก้าตังเนี่ยยังไม่เคยเห็นเลยนะฮะพระเถระบางรูปต้องใช้ข้าวที่ไปตากแห้งนะมาผสมกับน้ำคนๆแลว้วก็ฉันเอา ลำบากถึงขนาดนั้นเพราะว่าในพรรษานี่มีพระพิสุสมณเณรมากเมื่อก่อนเขาบวชเอาพรรษาสามเดือนพระที่บวชอยู่ประจำเนี่ยก็อาจจะมีเป็นสิบแล้วถ้าเกิดว่ามีลูกหลานของญาติโยมมาบวดร่วมด้วยจำพรรษาด้วยก็นับเป็นจำนวนร้อย อาตมามาจำพรรษาวัดปยูรวงปีแรกนี่มีพระต้องประมาณหนึ่งร้อยแปดสิกว่ารูปทปั้งไิสุสัมเนนด้วยอาหารก็ไม่พอฉันริยมญาติโยมเราก็ฉลาดไม่ยอมทอดทิ้งพระเนนก็มีการจัดประเพณีทำบุญเสริมอาหารขึ้นมาจึงเป็นที่มาของประเพณีการตักบาตรเข้าสารอาหารแห้ง นอกจากจะมีข้าวสารอาหารแห้งแล้วยังมีน้ำพึ่งยังมีน้ำหวานปัจจุบันน้ำผลไม้มากมายเลยโยมนะถ้าหากว่าญาติโยมเตรียมข้าวสารไม่ทันก็ไม่เป็นไรโยมก็ไปหาม า, ม, าม่ายำยำไวๆมันก็ใช้ได้อยู่แทนข้าวสารได้เหมือนกันนะโยมเอามาตักบา ท, ที่ในวันนี้นะนั่นก็ประกาศให้ญาติโยมทั้งหลายได้ทราบนี่เป็นเรื่องที่หนึ่ง เรื่องที่สองวันนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณจเจ้าวาดเดินทางไปไประชุมนา น, นาชาติที่ประเทศเวียดนามกว่าจะกลับก็คงจะเป็นวันพรุ่งนี้ไม่มีโอกาสที่จะมาแสดงพัทธรรมเทศนาพระเดชพระคุณก็บัญชายพระเถระภายในวัดผลัดเปลี่ยนกันแสดงพัทธมเทศนาวันนี้อาตมาภาพก็มาทําหน้าที่แทน เพราะว่าสำนักวัดประยุร่วงสาวาทนี้เป็นสำนักเทศนามาแต่เดิมนอกจากพระพิสุทสามเณรนี่สามารถเนี่ยพลัดเปลี่ยนเวียนกันขึ้นเทศได้เกือบจะทุกรูปแล้วที่สำนักวัดของเรานี้ยังเป็นสำนักผลิตนักเทศสอนพระเนนซึ่งสนใจในการเทศนาเดินทางมาฝึกฝนอบรมวิชาการเทศนา อย่างเช่นวันนี้ก็จะต้องมีพระพิสุสันเนนมาไม่ต่ำกว่าสามร้อยรูปมาในเวลาเย็นโยมมาฝึกเทศนาว่าการกันว่าขึ้นธรรมะมอย่างไรจึงจะไม่ตกธรรมะมขึ้นนั่งบนธรรมะมแล้วทำยังไงจึงจะไม่ถูกยักเข้าสิง เ, เพราะว่าทั้งพระทั้งโยมเวลาจะฟังเทศไม่จะถูกยักเข้าสิงไโยมพระนั่งบนธรรมะแล้วยักเข้าสิงพระก็สัน่น โยมที่นั่งฟังเทศอยู่ข้างล่างถูกยักเข้าสิงโยมก็หลับหรือถ้าไม่หลับโยมก็คุยกันนะ่ะยักเข้าสิงฉะนั้นก็เลยไม่เกรงกลัวธรรมะธรรมโมอะไรกันท่านก็มาฝึกฝนตนเองว่าทำอย่างไรเทศแล้วจึงจะได้สาระเป็นที่ประทับใจของญาติโยมเทศอย่างไรจึงจะแจ่มแจ้งเทศอย่างไรจึงจะจูงใจ เทศอย่างไรให้ญาติโยมแก้วกล้าละความชั่วทำความดีเทศอย่างไรคุณโยมจึงจะมีอารมณ์แจ่มใสเนี่ยท่านมาฝึกเทศกันอันญาติโยมก็ควรจะทราบว่าที่วัดประยูรโรงสาวาทนี้เรียกกันว่าสร้างถวายเป็นพุทธบูชามาร้อยแปดสิบหกปีมีบทบาทต่อประเทศไทยอย่างไร มีบทบาทต่อสังคมโลกอย่างไรมีบทบาทภายในประเทศก็คือว่าเป็นสำนักเทศนาเป็นสำนักศึกษาและเป็นสำนักปฏิบัติ <c oughs> มีบทบาทต่อสังคมโลกนี่พระเดชพระคุณท่านจ้าคุณเจ้าวาดนี่เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเรียกกันว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์แต่บทบาทของท่านนั้นมีบทบาทระดับโลกเนี่ยก็เป็นจากวัดประยุรวงศาวาสของเรา มีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ปัจจุบันท่านดารงตําแหน่งเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมมีเรื่องขัดข้องภายในคณะสงฆ์ประเทศไทยหรือต่างประเทศหมายถึงพระสงฆ์ไทยที่อยู่ต่างประเทศถ้ามีเรื่องขัดข้องอย่างไรก็นําเรื่องเข้าสู่มหาเถรสมาคมโยมคงได้ฟังข่าวว่าเมื่อเร็วๆนี้มีเรื่องเกี่ยวกับ การสวดปฏิโมก150ข้อใช่ไหมเนี่ยก็ต้องนำเรื่องเข้าสู่มหาเทรสมาคมมหาเทรสมาคมประชุมกันก็นกมีมติว่าขอให้สวด227ข้อเธอสวดมากไว้ก่อนดีกว่าสวดน้อยของดีๆมีมากไว้กว่าไว้ก่อนดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นอ่าพอพระพิสุทธสมณเณรได้ฟังมติมหาเทรสมาคมก็ประพฤติปฏิบัติตาม นี่แต่เป็นบทบาทของวัดเราทั้งนั้นวัดปยุโรวงสาวาททั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นวัดปยุโรวงหรือวัดใดก็ตามวัดนั้นจะมีความจรังยั่งยืนไม่ใช่อาศัยพระเท่านั้นต้องพึ่งญาติโยมด้วยนะอย่างเช่นวันนี้ถ้าญาติโยมไม่มาสักคนเลยอาตมาจะขึ้นทํามานั่งเทศปาเป่าวพวกก็จะต้องถ่ายลงหน้าหนึ่งว่าเจ้าคุณบุญมาบ้าไปแล้ว แต่ที่มีโยมมานั่งฟังเนี่ยกิจการเทศจึงเป็นไปได้ยังไงก็ต้องอาศัยญาติโยมด้วยญาติโยมไม่ใช่ไม่มีความสําคัญมีความสําคัญพอกันทีเดียวอาตมาจึงบอกเจ้าจึงบอกให้ญาติโยมรักษาความสําคัญของตนของตนไว้เพื่อเป็นเกียรติของชาวพุทธโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสําคัญในการสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาซึ่งในวันนี้ ก็จะนำเรื่องสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาเก่ฑ์โลกคำว่าโลกนี่มีสองโลกด้วยกันนะโยมนะคุณโยมฟังคำว่าโลกบางทีจะมองข้ามตัวเองไปอาตมาขอย้าว่าโลกที่จะพูดต่อไปนี้หมายถึงสังขารโลกคือชีวิตของแต่ละคนด้วยและสัตวโลกหมายถึงว่าหมู่คนหลายคนรวมกันอยู่เป็นสังคมโลกด้วย ยกตัวอย่างนี่สงครามโรคเนี่ยที่เขาพูดกันนะหมายความว่าเป็นสงครามของมหาชนเป็นสงครามของประเทศใหญ่ๆที่มีความขัดแย้งกันแล้วก็เกิดสงครามโรคเช่นสงครามโรคขั้งที่สองที่ผ่านไปสงครามโรคขั้งที่สองเริ่มละอุสอง3 8 4ส้แปดบสามแปดสิบสี่แล้วมาสิ้นสุดมาเย็นสงบลงสอง8ส้แปดิบแปด นั่นเขาเรียกกันว่าสงครามโลกทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นสงครามโลกส่วนตัวนี่ก็หมายถึงโลกคือชีวิตของเราเราก็มีสงครามกันอยู่แล้วคุณโยมคุณโยมต้องทำการสู้รบตบมือทำการสงครามอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันคุณโยมต้องเกตดูเถอะยกตัวอย่างถ้าคุณโยมหิวนี้นะฮะถ้าคุณโยมไม่รีบแก้ไข ไม่เลือกปกป้องตัวเองปล่อยให้หิวต่อไปนานๆก็เห็นทีจะต้องอำลาโลกเลยเนะยคงอยู่กันไม่ได้หรอกแต่เราก็ต้องทำสงครามกับความหิวด้วยการหาอาหารมาบำบัดมาบำรุงนะประเดี๋ยวพอประมาณสิบเอ็ดโมงพระเนรก็ต้องทำสงครามแหละอย่างในน้อยทุกกรุก็ต้องกับกุติไปฉันพระตาหารเพน ถ้าหากว่าไม่กลับไปฉันพระตาหารเพนยอมพ่ายแพ้แก่ความหิวพระเองก็ต้องโมรณะภาพแล้วท้โมรณะภาพกันหมดทั้งวัดและโยมจะหาพระที่ไหนเฝ้าวัดมีพระเต็มวัดขโมยมันี้ได้ช่องเลยลองคิดดูกันแล้วกันทำสงครามกันอยู่สงครามทางร่างกายไม่น่าหนักใจ แต่ว่าสงครามทางจิตใจนั้นเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงย้ำทรงเน้นเป็นอย่างยิ่งเหมือนกับเรื่องที่อาตมาจะเทศนยมฟังนี่เกิดขึ้นจากพระเจ้าเป็นดินพระองค์หนึ่งคือพระเจ้าพิมพิสารไม่ใช่พระเจ้าประเสณธิโกศนพระเจ้าประเสณทิโกศนนี่เป็นพราชาปกครองแฟนโกศนเป็นประมุข แห่งประชาชนชาวเมืองสาวัตถีเรื่องประวัติศาสตร์ต่างๆในครั้งพุทธกาลนี่น่าสนใจเราจะมองข้ามไปไม่ได้ถ้าหากว่าเราอยากจะรู้แง่มุมของประวัติศาสตร์ในครั้งพุทธกาลจะต้องอ่านประวัติบุคคลสําคัญสําคัญในครั้งกันนู้นด้วยถ้าจะมาเอ่ยชื่อว่าพร ะ, พระเจ้าสุธโทธทนะนิยมก็รู้แหละว่าคือใคร พระนางสิริมหามายาคุณโยมก็พอจะรู้ว่าหมายถึงใครเอ่ยถึงคำว่าอนาธมินิกาเศรษฐีนางวิสาขาโยมก็พอจะรู้ว่านี่แหละเป็นบุคคลรุ่นราวเขาเดียวกับพระพุทธเจ้าเกิดในสมัยพุทธกาลนิยมก็จะต้องรู้อย่างนี้เหมือนกับพระเจ้าประสณท์ที่โกศลเนี่ยเป็นราชโอรสของพระมหาโกศล ซึ่งเป็นพระราชาแห่งแคว้นโกศลแคว้นโกศล น, นี่มีเมืองเหลือเมืองหลวงชื่อว่าเมืองราชครื้ออาชีเมืองเมืองสาวัตถียมนะชื่อเมืองสาวัตถีพระเจ้าประเสณที่โกศล น, นี่เมื่อยังหนุ่มๆ น, มนี่ก็เสด็จไปศึกษาที่ตักกะศิลาตักกศิลานี่เป็นมหาวิทยาลัยสําคัญในครั้งกันน้น มีเพื่อนร่วมห้องเรียนสำคัญซ้ำกันหลายคนเหมือนกันแต่ที่มีความรักใคร่ใกล้ชิดกันก็มีอยู่สามคนโยมคนที่หนึ่งก็คือพันธุระพันธุระนี่เป็นใครละ่ะเป็นราชกุมารจากวงมัลละเมืองไหนเมืองกุศินารามัลละนี่เป็นประเทศใหญ่ประเทศหนึ่งมีเมืองหลวงเนี่ยนะฮะ สองเมืองแยกเป็นเมืองเหนือเมืองใต้แต่ว่าพันธุละนี้เป็นเจ้าชายแห่งเมืองกุศินาลานอกจากพันธุละแล้วยังมีอีกท่านหนึ่งเป็นเจ้าชายแห่งแคว้นวัชีท่านนี้ชื่อว่ามหาลิแคว้นวัชีเนี่ยนะฮะเมืองไผ่าลีเนี่ยแคว้นวัชีเนี่เป็นว่าสามท่านนี้รักใคร่กันมากจอม รักไข่กันมากพอเรียนสำเร็จแล้วต่างคนต่างก็กลับบ้านพันธุละนั้นกลับไปบ้านแล้วก็มีคนประลองวิชาโดยเฉพาะวิชาที่ประลองก็คือวิชาฟันดาบเขาก็ใช้ไม้ไผ่ในโยนไปบนอากาศเสร็จแล้วพอมันล่วงลงมาก็ให้ทาการฟันฉับเลยทีเดียว แต่ปรากฏว่าในขณะที่ฟันชับลงไปนั่นเองเนี่ยพวกแกล้งพันธุระเอาเหล็กไปใส่ไว้ข้างในบอกกระบอกไม้ไผ่เสียงก็เลยดังนิดดังคลิกนิดหนึ่งแต่บรรดาประยุรญาติก็มีความพอใจว่าโอ้โหฟันได้ขนาดนี้ไม่เบาแล้วนะฮะแต่พันธุระก็น้อยใจในที่สุดก็เลยลาออกจากกรุงกุสินารา มาขอรับรับราชการเนี่ยกับเพื่อนก็คือท่านพระเจ้าประเสณทธิี่โกศลมาอยู่ที่นั่นต่อมาก็มีคนใส่ร้ายว่าพันธุระเสนาพันธุระเส น, น, นาบดีเนี่ยนะฮะซึ่งพระเจ้าประเสิทธิ์ที่โกศลตั้งให้เป็นเสนาบดีเนี่ยคิดไม่ซื่อเรียกกันว่าพันธุระนี้คิดลอบฆ่าพระเจ้าประเสณทที่โกศล พระเจ้าเสินที่โกศลก็เลยออกอุบายเลยว่าขณะนี้เนี่ยกําลังมีโจอรอารวาสแถวชายแดนนะขอให้พันธุละพร้อมด้วยทหารยกไปปราบทีปราบฆ่าศึกเสร็จสัดเรียบร้อยในขณะที่กําลังเดินทางกลับเมืองพระเจ้าประเสิทธิโกศลก็สั่งให้ทหารมือดีลออฆ่าพันธุละพร้อมด้วยลูกๆทั้งหมดเลยตายหมดเลย พระเจ้าพระเศนที่โกศลเดินทางกลับมาด้วยว่าเออเอาละได้ปราบศัตรูเรียบร้อยแล้วได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยประทับอยู่ ใ, ใกล้วัดนี้น่าจะเด็กเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าสักหน่อยในตอนนั้นพระองค์ทรงมีวัยแปดสิบปีแล้วนะพระพุทธเจ้าก็แปดสิบปีเหมือนกันเรียกว่าเป็นคนรุ่นราวเขาเดียวกัน พอไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็นําปัญหาไปทูลถามพระพุทธเจ้าก่อนจะถามปัญหากับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ปรารภขึ้นมาว่าพระองค์เนี่ยรักพระพุทธเจ้าเหลือเกินเลื่อมใสเหลือเกินมาเฝ้าทุกครั้งไม่เคยตั้งปัญหาให้ลกหัวใจพระพุทธเจ้าเลยเพราะพระองค์ทรงเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเหลือเกิน แล้วก็ล้าพรนาว่าเนี่ยเราก็มีไว้เท่ากันแล้วแปดสิบปีแล้วไม่ช้าก็ต้องอําลาจากโลกไปแล้วอะไรทำนองนี้เหมือนคนสูงอายุเนี่ยเขาป่ารกถึงเรื่องอายุกันในขณะที่กำลังสนทนาพระพุทธเจ้านั่นเองปรากฏว่าหลานของพระ อ, องคอ์คือทีคารกาญณนนะเนี่ย ซึ่งได้รับมอบเครื่องทรงพร้อมด้วยตราสั ญ, ญลักษณ์ของพระราชาอยู่ในมือก็เลยคิดขบถพระเจ้าปเสนที่โกศลเอาตราประจำพระองค์นี่ไปมอบให้พระเจ้าวิทูดาภะนะซึ่งเป็นพระราชาโอรสแล้วก็รีบกลับไปสู่เมืองเลยไปสู่เมืองสาวัตถีประกาศตัวเองนะ ยึดอำนาจเบ็ดเสร็จแบบคอสอชอเลยโอ้โหทีนี้โยมะไรพระเจ้าประเสริฐที่โกศลสนทนาพระพุทธเจ้าออกมาท่านนั้นปรากฏว่ากองทัพกลับบ้านหมดแล้วกลับเมืองหมดแล้วไม่รู้จะทำยังไงพระองค์จึงพร้อมด้วยม้าหนึ่งตัวและนางสนมหนึ่งคนเสด็จไปที่เมืองราชเครือไปหาพระเจ้าชาติศัตรูซึ่งเป็นหลานเป็นลูกของพี่สาว คืออินเดียในยเมื่อก่อนนิกษรสัตย์เขาก็แต่งงานในบรรดาวบรรณกษัตย์เขาไม่เขาไม่แต่งงานปบประเภทข้ามวันนะกันไปก็เป็นเวลากลางคืนพระเจ้าชาติศัตรูก็ไม่ทราบว่าอาขณะนี้นะพระเจ้าประเสนที่โกศลซึ่งเป็นญาติเป็นพระเจ้าอานี่ยได้เสด็จมาประกอบกับอาการที่ว่าแกเองเนี่ยเดินทางไกลามาก แล้วก็ชลาภาพแปดสิบปีแล้วนะในที่สุดพระองค์ก็เลยสิ้นพระชนตรงหน้าประตูเมืองนั่นเองอเครื่องขยายเสียงก็เพี้ยนไปด้วยนะเห็นไหมโยมพอพระเจ้าเสนนิโกสนนะจะสิ้นพระชนเครื่องขยายเสียงก็จะสิ้นพระชนตามไปด้วยนะฮะมันก็แปลกๆดีเหมือนกันเปิดฝาไว้อย่าไปปิดมันร้อนอะเครื่องมันร้อนอย่าไปปิดฝานะ เปิดฝ่าไว้ญาติโยมก็ยังร้อนถ้าแอร์ไม่เย็นนะเครื่องใหญ่เสียงก็มีหัวใจก็ร้อนเหมือนกันอเป็นอันว่าพระองค์ก็เลยสวรรคตแต่ก่อนที่จะออกจากพระพุทธเจ้าเป็นได้ถามปัญหาที่สําคัญนะโดยที่พระเจ้าประเสิที่โกศลเนี่ยได้ทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัม พ, พุทธเจ้า ว, ว่ามันมีอะไรพระพุทธเจ้าค่ะที่ทําให้โลกเนี่ย นะเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันทำให้โลกเป็นทุกข์เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นเพื่อเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์มันเกิดขึ้นแล้วมันทำให้โลกของเราไม่มีความสุขไม่มีความสำราญสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรพระพุทธเจ้าก็เลยตัด วิสัชนาปัญหาของพระเจ้าประเสนที่โกศลนะฮะเอาทีนี้พระพุทธเจ้าตัดต่อว่ายัางไงโยมพระพุทธเจ้าก็เลยตัดต่อว่าตะโยมหาราชโรกัตสะเป็นต้นแปลว่าดูก่อนมหาราชอันว่า ร, รมสามประการนี้ เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมเกิดขึ้นเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เพื่ออะไรเพื่อความทุกข์เพื่อความเดือดเนื้อร้อนใจของคนส่วนใหญ่ทำสามประการเป็นไฉนประการที่หนึ่งคือความโลภสองคือความโกรธสามคือความหลง ทำสามประการนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมเกิดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์ <c oughs> ก่อให้เกิดความทุกข์และก่อให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจแก่ชาวโลกทั้งหมดคุณโยมลองลองตั้งใจฟังนู้นมันจริงไหมประการแลกความโลภที่มันเกิดขึ้นในใจของใครใจดวงนั้นไม่สบายแล้ว ใจดวงนั้นจะรู้สึกร้อนอนไม่หลับคุณโยมเคยฟังข่าวไหมโจรบางคนนี้เขาคิดจะปล้นร้านทองนี่ไม่ใช่คิดเดี๋วนั้นแล้วก็ทำการปล้นเดี๋วนั้นนั่งคิดนอนคิดเดินคิดกินก็คิดหายใจเข้าหายใจออกมันคิดมันคิดอยู่อย่างนั้นว่ามันจะเข้าตอนไหนดี มันจะแต่งตัวชุดไหนดีมันจะพลางหน้าพลางตายังไงดีนี่ถ้าเกิดว่าในนี้นี่ยมีประเภทนั้นมานั่งด้วยก็ต้องคิดจะฟังพระเทศไปก็คิดไปว่าเอพระจะชี้ช่องกูยังไงบ้างนอ้อใช่ไหมมันคิดอยู่ตลอดเวลาแมมันจะมีความสุขยังไงที่มันคิดนั้นคือมันคิดจะเอาสิ่งต่างๆเข้ามาหาตัว เดินผ่านล้านทองเห็นทองเปล่งปลั่งอลมัมเมื่อคิดจะกวาดยังไงออกจากตู้มาใส่กระเป๋าให้เร็วที่สุดนี่เป็นอำนาจของความโลภแต่ถ้าเกิดว่ามันคิดออกแล้วก็ทำได้ตามใจมันก็ดีใจไปทำบาปด้วยความร่าเริงบันเทิงใจแต่ถ้าเกิดว่ามันคิดไม่ออกมันทำไม่ได้มันขัดเคืองใจความโกรธมันก็มาแล้ว คิดอย่างไรถ้าไม่เป็นไปอย่างที่ใจคิดมันโกรธนะโยมไอ้ความโกรธมันเกิดขึ้นแล้วเอ๊สิบโมงเกือบจะยี่สิบแล้วท่านจะคุณยังมาลอยหน้าลอยตาเทศอยู่ได้ไอ้เราก็าอยากจะไปทานข้าวอยากจะไปถวายสังฆทานอยากจะกลับบ้านไปนู่นไปนี่ไม่ตรงกับที่ใจคิดเอ๊ะพระองค์นี้ไม่ได้เรื่องใส่แล้วโกรธแล้วโทสะมาแล้ว แต่ถ้าเกิดยังไม่เป็นความโรคยังไม่เป็นความโกรธมันยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยเป็นโมหะตรงนี้เป็นโมหะโรคก็ไม่ใช่โกรธก็ไม่เชิงเนี่ยนะยังไม่รู้ว่ามันจะออกอาการเป็นยังไงเนี่ยจัดว่าเป็นโมหะแล้วตรงนี้อันว่าอากุศลทั้งสามประการเกิดขึ้นในใจผู้ใดก็ตามบุคคลผู้นั้นจะไปปัทุุสลายสิ่งต่างๆเสมอ พระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์จงให้กําจัดกิเลสทั้งสามประการด้วยอะไรศินสมาธิปัญญาเนี่ยที่โยมพัฒน์เพนพร avana กันอยู่นี้ญาติโยมนึกถึงสินห้าไว้กำว่าศินห้าแต่ละข้อนั้นป้องกันอะไรป้องกันไม่ให้คนประทุษสลายกันสินข้อที่หนึ่งไม่ให้ประทุษสลายชีวิตสินข้อที่สองไม่ประทุษสลายทรัพย์สิน สินข้อที่สาไม่ประทุษร้ายสิ่งรักของรักของกันและกันสินข้อที่สี่อะไรไม่ประทุษร้ายความเป็นธรรมยังไงแหะที่มีการโกหกกันหลอกลวงกันนมันทำลายความเป็นธรรมของกันและกันสินข้อที่ห้าป้องกันไม่ประทุษร้ายสติปัญญาเป็นสิ่งมีค่าที่มีอยู่ในชีวิตของตนนแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสติ ไม่มีสัมปชัญญะดื่มสุรายาเมาเนะี่ยะก็จะตายเป็นบุคคลทําลายสติชับสัมปชัญญะของตนเองเมาเข้าแล้วกลับบ้านไม่ถูกโยมเห็นไหมว่าความจํามันเสียสติมันเสียเดินเข้าผิดบ้านหมากัดหายเมาแล้วเอาปืนมายิงหมาอีกโยมเห็นข่าวไหมเนี่ยดูสิคนเราอะ สุนักมันไม่ได้ทำอะไรให้เลยแต่ ว, ว่าตัวเองทำร้ายตัวเองประทุศสร้ายตัวเองแ ท, แท้แต่กลับไปลงโทษสุนักก็เพราะว่าทำสามประการเรื่องอกูโสรธรรมนี้แหละมันเกิดขึ้นในจิตในใจจึงทำให้บุคคลผู้นั้นนะทำสิ่งต่างๆในทางทำลายประทุศสร้ายโลกโบราณท่านจึงบอกว่าอันโลโพโทโสโมโหนี เป็นอักคีของไทยอันเป็นเป็นอัคีของใจอะไรอันใหญ่หลวงเป็นมูลลากราคินสิ้นทั้งปวงคอยเหนียวน่วงให้คนหล่นลงสู่อาบายญาติโยมไปดูในคุกเนี่ยคุกก็เปรียบเสมือนอาบายในโลกนี้เนี่ยเป็นนรกอันหนึ่งคนที่ไปตกนรกทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไร มันเกิดขึ้นจากความโรคความโกรธและความหลงนี่ทั้งสามประการนี้ทั้นคุณโยมจะมองว่าโลคโกรธหลงมันมีโทษขนาดไหนทำยังไรเราจึงจะชนะโลบโกรธหลงนี่แหละพระพุทธเจ้าได้ตรัสบอกพระเจ้าประสินที่โกศลว่าดูก่อนมหาลาชา้าสติสัมปชัญญะเท่านั้นที่จะช่วยป้องกันโรบโกรธหลงคุณโยมฟังตรงนี้ให้ดีนะโยมนะ มันต้องกันยังไงตาเวลาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นมาทางตาว่าไอ้นั่นสวย<ๆ>เขาเรียกกันว่าไอ้นั่นสวยไอ้นี่สวยเนี่ยรู้สึกว่าชอบใจและยังละโยมชอบใจจนนั้นเป็นสุขเวทนาพอเกิดเวทนามันเกิดอยากได้ใช่ไมโยมนี่เกิดอยากได้ก็เป็นการมาตัณหา พอเมื่อเกิดการมระตังหาขึ้นมาแล้วมันก็เกิดผู้อยากขึ้นมาคือชั้นอยากขึ้นมามันก็เกิดอุปาทานอะไรทีนี้พอปล่อยให้มันไหลหไปื่อเรื่อยอย่างนี้โยมนะเดี๋ยวปัญหามันเกิดแล้วเหมือนไก่โจรคนนั้นที่มันไปปล้นร้านทองเนี่ยถ้าเป็นคนตาบอดมองไม่เห็นทองมันอยากได้ไหมโ ย, ยมแต่พราะตามันดีนะ่แหละมันไปมองเห็นทองสีเป่งปรังเห็นปุ๊บเท่า น, นั้น แล้วมันรู้ว่านั่นเป็นทองก็เรียกจากสู่วิญญาณไงโยมตาอย่างหนึ่งเห็นทองคือรูปอย่างหนึ่งเกิดจากสู่วิญญาณขึ้นมาสามอย่างนี้ถึงกันท่านเรียกกันว่าผัสสะพอมันเกิดผัสสะแล้วมันจึงเกิดเวทนาคือความอยากได้เวทนาความรู้สึกชอบพอเกิดความรู้สึกชอบจึงเกิดทันหาคือความอยากได้ พอเกิดความอยากได้มันมีผู้อยากซ่อนอยู่ข้างในนั้นก็เรียกว่าอุปาทานไงโ ย, โยมนี่แหละอุปาทานเนี่ยโยมต้องตามอาการของผัรษานี้ให้ทันนะถ้ายมตามไม่ทันปุ๊บโยมก็จะเผลอสติแต่ถ้าเกิดเราฝึกสติมาดีตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้สึกว่าโอ้ไอ้นี่ทองคำนะเราตัดอะไรออกไปรู้ไหมชอบไม่ชอบทิ้งเสีย เกิดบอกตัวเองว่าอย่างไงมันก็แค่นั้นน่ะมันก็แค่นั้นน่ะมันก็แค่นั้นน่ะมันก็อย่างนั้นเองมันก็อย่างนั้นเองตรงนี้ถ้าว่าเป็นตาตาภาวะเกิดความรู้สึกมันก็แค่นั้นเองอะทองอะอย่างนี้เป็นต้นคุณโยมเราลองเอาทองไปผูกคอลิงลิงมันรู้คุณค่าไหมล่ะมันไม่รู้คุณค่าหรอกนะเอาทองไปผูกคอลิงไม่รู้คุณค่าหรอกเอายมยอยขึ้นมาแล้วจะมาจะจบได้แล้ว ตอนนี้โยมย้อยมาแล้วจบได้แล้วอาตอมามองดูโยมย้อยอย่แหละถ้าขึ้นเมื่อไหร่เดีย๋ยวอาตมาจะจบแล้วอเอาไปเอาไว้โ ย, ยมนะตอนนี้เปลว่าเราต้องตามให้ทันว่าตาเห็นลูผ่ผูฟังเสียงจงมูกดมกลิ่นริ้นแต่ถูกรถมันเกิดความรู้สึกปรากฏเป็นอย่างไรใช้สติตัวนั้นอนะเตือนตัวว่ามันก็แค่นันและมอแค่นันและแค่นันและให้ได้ ถ้าคุณโยมกําหนดได้อย่างนี้แล้วเป็นอันว่าคุณโยมรู้ทันกิเลสกิเลสเป็นเหตุให้เราประทุษร้ายสิ่งต่างๆแม้กระทั่งชีวิตตัวเองทำร้ายตัวเองยังไม่พอทำร้ายบ้านเมืองทำร้ายคนอื่นทำร้ายสิ่งต่างๆทุกวันนี้ประเทศไทยของเราถูกทำร้ายมากภูเขาก็ถูกทำร้ายป่าไม้ก็ถูกทาร้ายแม่น้าลาคลองก็ถูกทำร้าย สิงสาลาสัตว์ถูกทำร้ายหมดยูโยมจำได้ไหมเมื่อไม่กี่เดือนผ่านมานี่กทิงเนี่ยที่กุยบุรีเนี่ยถูกมันยิงแล้วยังไม่พอนะเอายาไปเบื่อนะไปโลอยู่ตามยอดญากิกทิ้งตายหวังจะเอาอะไรคุณโยมหวังจะเอาหนอกของกระทิงไปขายตายกันเป็นสิบๆญาติโยมเห็นแล้วยังว่า เพราะกิเลสสามตัวนั้นสิงใจของประชาชนชาวโลกชาวโลกจึงทำอะไรตอนนี้อะไรที่เป็นปัญหาต่อโลกมากมายถ้าหากว่าเรานีสามารถกำจัดปัดเป่าความโรคโกรธหลงอย่างได้ได้อย่างแท้จริงแล้วโรคของเรานั้นจะมีสิ่งต่างๆที่เอื้ออำนวยช่วยเป็นประโยชน์ต่อชีวิตมากมายโลกของเราจะไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ดังที่อาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงมารัตนัตยานุภาเวนะขอเดชะคุณพระพุทธรัตน์จงช่วยกำจัดทุกข์เจริญสุขสิริสักเป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์จงช่วยกำจัดผ่านให้เป็นสารผุดผ่องพ้นผองภัยขอเดชะพระสังครรัตน์จงช่วยกำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไข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 คงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนนี้